วิธีระงับอธิกรณ์ด้วยตินวัตถารกะและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอธิกรณ์อย่างนี้คือภิกษุทุกทุกรูปพึงประชุมในที่แห่งเดียวกันครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญ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 ถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงระงับอธิกรณ์นี้ด้วยตินวัตถารกะาากัเว้นอาบัตที่มีโทษอยากเว้นอาบัตที่เนื่องด้วยครหัสลำดับนั้นบรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ฝ่ายของตนทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า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 ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัตของท่านทั้งหลายและอาบัตของตนในท่ามกลางสงฆ์ด้วยตินนวัฏฐาระกะเว้นอาบัตที่มีโทษยาเว้นอาบัตที่เนื่องด้วยคฤหัตเพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายและเพื่อประโยชน์แก่ตนลำดับนั้นบรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันอีกพวกหนึ่งภิกษุผู้ฉลาดสามารถ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 เพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายและเพื่อประโยชน์แก่ตนลำดับนั้นบรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันอีกพวกหนึ่งภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมมวาจาว่วาท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าพวกเราบาดหมางทะเลาะวิวาดกันอยู่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 และอาบัตของตนในถามกลางสง์ด้วยตินวัฏฐาระกะเว้นอาบัตที่มีโทษอยากเว้นอาบัตที่เนื่องด้วยคฤหัตเพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายและเพื่อประโยชน์แก่ตนนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าพวกเราบาดหมางทะเลาะวิวาทกันอยู่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 และอาบัตของตนในถ้ำกลางสงด้วยตินวัฏฐาระกัดเว้นอาบัตที่มีโทษหยากเว้นอาบัตที่เนื่องด้วยคฤหัตเพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตนท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแสดงอาบัตเหล่านี้ของพวกเราในถ้ำกลางสงด้วยตินวัฏฐาระกัเว้นอาบัตที่มีโทษหยาก เว้นอาบัตที่เนื่องด้วยคฤหัตท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงอาบัตเหล่านี้ของพวกเราเว้นอาบัตที่มีโทษหยาบเว้นอาบัตที่เนื่องด้วยคฤหัตข้าพเจ้าแสดงแล้วในท่ามกลางสงด้วยตินวัฏฐารกัสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ลำดับนั้นบรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันอีกพวกหนึ่งภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสาบด้วยยติทุติยกรรมมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าพวกเราบาดหมางทะเลาะวิวาทกันอยู่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 ข้าพระเจ้าแสดงอาบัตของท่านเหล่านี้และอาบัตของตนในท่ามกลางสงฆ์ด้วยตินวัฏฐารกะเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบเว้นอาบัตที่เนื่องด้วยคฤหัตเพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตนท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแสดงอาบัตเหล่านี้ของพวกเราในท่ามกลางสงฆ์ด้วยตินวัฏฐารกะเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบ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 ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้วระงับด้วยอะไรระงับด้วยสั ม, มุขาวินัยกับตินวัฏฐาระกะในสำ ม, มุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้างมีความพร้อมหน้าสงความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัยความพร้อมหน้าบุคคลอันหนึ่งความพร้อมหน้าสอ์ในสามุขาวินัยนั้นอย่างไรภิษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาประชุมกันนำฉันทะของผู้ควรฉันทะมาผู้อยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดค้านนี้ชื่อว่า All, ความพ ah! ร้อมหน้าสงในสัมุขาวินัยนั้นอันหนึ่งความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยในสัมุขาวินัยนั้นอย่างไรอธิกรณ์นั้นระงับโดยธรรมโดยวินัยและโดยสัตวศาสตร์ใดนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยในสัมุขาวินัยนั้นอันหนึ่ง ความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวิไนัยนั้นอย่างไรผู้แสดงและผู้รับแสดงทั้งสองอยู่พร้อมหน้ากันนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวินัยนี้ในตินนวัตถารกะนั้นมีอะไรบ้างมีกิริยาความกระทาความเข้าไปความเข้าไปเฉพาะ ความรับรองความไม่คัดค้านกรรมคือตินวัฏฐารกะอันใดนี้มีในตินวัฏฐารกะนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าอาธิกรระงับแล้วอย่างนี้ผู้รับหรือฝื้นต้องอาบัติปาจิตติที่หรือฝื้นผู้ให้ฉันทะติเตียนต้องอาบัติปาจิตติที่ติเตียน กิจจาที่กรระงับด้วยสมถะเท่าไรกิจจาที่กรระงับด้วยสมถะอย่างเดียวคือสัมมุขาวินันอธิกรณะวูปะสมณะสมถะจบสมถะขันธกะที่สี่จบ